ถามว่าอะไรเป็นตัวกําหนดบอกว่าเจตนาที่อยู่ในฌานเป็นตัวกําหนดว่าแกจะนําเกิดที่ไหนไม่ได้มีใครไปกําหนดอย่างอื่นหรอก็ได้ว่าถ้าเป็นแบบขึ้นรถก็ว่าไปตามหมายเลขตัวที่จองอะ่ะมีรูปคล้ายกันแต่ว่าปฏิสนธิจิตเหมือนกันเออมีรูปต่างกันขีดความสามารถของรูปเนี่ยต่างกันแต่ว่าต่างกันยังไงของมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน ก็รู้ว่าปฏิสนธิจิตมันเหมือนกันแต่ว่ารูปร่างเนี่ยแตกต่างกั น, เ, น, เ, นเรียกว่าเอกะตะกายะเอเ อ, เอกะตะสันยีเนี่ยเรียกว่าปฏิสนธิจิตเหมือนกันแต่ว่ารูปร่างกายที่แตกต่างกันบรสมีแตกไม่เท่ากันนี้ถ้าเป็นทุติยชานก็แบ่งออกเป็นอย่างเล้วอย่างกลางหรือทิติเนี่ยนะกับอย่างประนีตก็ให้ผลเป็น น, นี้เป็นปริตตาภาปริตตาภาเนี่ยนะก็บอกอ้าแกรัศมีไม่ค่อยมากเนี่ยนะอันนี้เป็นอัปปมานาพาอัปปมานาพาพร้มก็โอ้โหรัศมีกว้างขวางมากถ้าอย่างประณีเป็นอัพัสรอาอัพัสราพร้มก็คือพร้มที่มีอ่า รัศมีเป็นตกเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อกงามมากแต่ว่าไม่เคยเห็นหรอกจะไปอยวไปถามละเอียดกว่า น, นั้นก็บอกว่ า, วาเนี่ยตงังสูปีศาจปีศาจคลุกฝุ่นเนี่ยผีต้นไม้ใบหญ้ายังไม่เคยเห็นนะอันนี้ก็เรียนตามหลักวิชาไปก่อนเรื่องนี้เรียนได้ตามหลักอย่างเดียวถามซิกแซกมากตอบไม่ได้ เคยแต่ไม่รู้กี่พันล้านกลับที่ไหนก่อนก็ไม่รู้เคยแต่ว่าแหมมันไอสํานวนว่ามันเคยรวยนะสมัยไหนก็ไม่รู้ถามว่าเคยได้ไหมอ่ะได้ตั้งแต่ปฐมมากับนะซึ่งไม่รู้กี่พันล้านปีไม่ได้กี่ไม่รู้กี่โกดล้านปีมาแล้วสํานวนอ่ะเหมือนถ้าคนเคยอิ่มมาแล้วนะ เทตาตะติยชานเขาก็แบ่งเป็นอย่างเลียวอย่างกลางอย่างประณีตคนนี้ก็เป็นปริตตสุภาอันนี้ค่อนข้างงามใช่ไหมสุภาพแล้ว่างามอ่ะนะงามแต่ว่างามแบบเล็กน้อยคือเล็กน้อยก็ะดัอันนี้เป็นอัปปามานะสุภาอันนี้กระดัอัปปามานะสุภาแสดงว่างามมากแล้วก็ สุภกินหาอันนี้พวกนี้ก็ความประณีตก็แตกต่างกันไปอยู่ที่อย่างว่านะวสีทั้งห้าที่กล่าวไปเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าพุทธจตุทชาญพวกนี้ก็ปกติก็คือเวหัพลาอย่างเดียวอันนี้เรียกว่ามีผลมหาสารเลยนะพวกนี้ตัวนี้ได้ชาญอันนี้อายุ500ห้าร้อยมากับ ร้อยมหากับอนนี้นก็อันนี้ก็คือประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสามอันนี้ก็น่าจะประมาณครึ่งกับอันนี้หนึ่งมหากับอันนี้ครึง่งเขียนยังไงครึ่งกับเขียนงี้ก็อันนี้อันนี้แค่ครึ่งกับหนึ่งส่วนสามน่าสนใจไม่ต้องมหากับหนึ่งอันนี้นอันนี้ก็อายุเขาค่อยมากไปตามนั้นแะ นายไม่้สนใจชั้นไหนเหมือนกับว่ามีคอนโดอยู่กรุงเทพนะสูงห้าหกสิชั้นนะคุณเลือกชั้นไหนอย่างนั้นเลยอยาให้ได้ไปกรุงเทพก่อนนะค่อยว่าทีวั้นทีนี้ก็มีพวกอีกประเภทหนึ่งเขาบอกว่าพวกนี้ทำชาลสี่ให้ได้แต่เน้นกสินอยู่ข้อหนึ่งเรียก ว, ว่าวายโอกสินถามว่าเหตุผลอะไรไม่ทราบพวกนี้เน้นจานเจริญวายโอกสินทำวายโยกสินให้ได้ชาลหนึ่งสองสามสี่ พอได้ชาญศีเนี่ยพื้นฐานแกเกลียดความคิดมากไม่ค่อยชอบเลยนามมาทํานี่มันเลวมากปัญหาทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดจากความคิดทั้งนั้นนลยมันก็เห็นไทยของความคิดเรียกว่าตั้งจิตตะสัญญาวิราคะเบือหน่ายในความคิดแต่ว่ารูปไม่เป็นไรความคิดนี่ใช้ไม่ได้วุ่นวายปัญหาเรื่องมากกว่าความคิดนี่แหละถ้าทุกคนมานั่งนิ่งๆไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมันไม่มีปัญหาหรอกปัญหาทุกอย่างมันเกิดจากความคิด ท่านพวกนี้ก็เบื่อของความคิดนะก็ทำฌานสี่ให้ได้ตั้งจิตตะสัญญาวิราคะเห็นโทษของความคิดมากพวกนี้ก็จะเกิดเป็นอสัญญาสัตร์พวกนี้ก็มีแต่เป็นผลของจจตุทะฌานอันนี้เฉพาะแต่วายโยกสินในคำพีท่านยกวายโยกสินมา น, นั่นนะ ในหลายๆแห่งนะท่านบอกว่าพวกเดรัจฉีนอกาศาสนาก็เจริญวาโยกสินเนี่ยนะก็เงื่อนไขแบบเดียวกันเนี่ยพวกนี้ก็เห็นโทษของความคิดมันก็จริงอ่ะนะถ้าทุกคนมานั่งกันเฉยๆไม่ต้องพูดจาอะไรมันก็ไม่วุ่นวายนะป <_ d ata> ัญหามก็ลดไปเยอะถ้าไม่ร้องเยี่ยวเยียวเนี่ยนะเงียบไปเยอะอนะจะมีเป็นสิบล้านมันก็ไม่ได้เรือร้อนอะไรอายุก็เท่ากันห้าร้อยกับ <_ d ata> ทีนี้ก็มีอันนะอันนี้เป็นชาติวิบากนะ จตชาติวิบากวิบากก็แบ่งออกเป็นแต่ว่าความประณีตก็หยาบก็แตกต่างกันไป น, นะตามแต่คุณภาพของชาตเพราะฉะนั้นผลของชาตอันนี้เขาเรียกว่าชาติอันนี้เป็นกุศลก่อนนะตรงนี้เป็นกุศลวิบากของกุศลเหล่านี้นะที่นําเกิดมาเป็นพรหมชั้นต่างๆอย่างที่กล่าวเรียกว่าวิบากวิบากก็เท่ากันเนี่ยแหละแต่ว่าที่ที่คุณภาพของปฏิสนธิอย่างที่กล่าวไป เรียกว่านับอยู่อันนี้เรียกว่านับปฐมฌานภูมินับทุติยฌานภูมิตัตยฌานภูมิจตุตฌานภูมิเนี่ยเ้าก็นับตามภูมิไปแต่ว่าขีดความสามารถไม่เท่ากันนะนีอยู่บริษัทเดียวกันอ่ะแต่อีกคนหนึ่งในนามหัวหน้าอีกคนหนึ่งในนามทนักงานอีกคนหนึ่งเสมยนอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครเป็นใครไปห้องเดียวกันนั่นแหละนี่ยก็เนี่ยก็เทียบอันนี้ไงอันนี้เป็นปัญจมาอันนี้แยกเป็นสอไง อันนะั้นถ้าโดยปัจจกะรในอันนี้ประถมอันนี้เป็นทุติตาติอันนี้เท่ากับเจตุอันนี้ปันเนีย่ยนะเขแบ่งตรงนี้เองแยกที่ชั้นสองอคือคนหนึ่งแหมละวิตกอืดละได้ถ้าวิตกอ น, นะอืดมากเหล่านั้นอ ย, อย่างละวิจารณไม่ได้อันนะั้นในแง่นี้ผ่านสอบผ่านเงินมาท่องเลย อันนี้เรียกว่าฌานสี่ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งสอ ง, ง่เนะีนะ่ยฌานสี่ฌานแนหมายถึงอรูปรชายังยังไม่ได้พูดถึงเมื่อเข้าใจนี้เราพูดถึงกุศลกับวิบากนะทางธรรมะท่านบอกว่าอันนี้คือสมาบัตอันนี้พูดถึงสมาบัตนะพูดได้สมาบัตอันนี้ผู้เท่าผู้เข้าถึงวิบากคือหมายถึงเป็นพรหม มีอีกกลุ่มหนึ่งคือพระอาหารหันต์ที่เข้าฌานเหล่านี้ได้อันนั้นท่านเรียกว่าทิฏฐ ธ, ธรรมะสุขาวิหารธรรมาานนรก็อยู่ที่สมาบัติแปลว่าเข้าอ่ะนะสมาบัติแปลว่าเข้าอ่ะจะเข้าเท่าไหร่ก็อยู่ที่ถิฏฐิอะไระวสีในการดํารงอยู่คือมันอยู่ที่หนึ่งนะ ตั้งเวลาที่จะเข้าเท่าไหร่ด้วยแล้วก็มีปัญหายุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องอื่นๆไหมอะไรเงนะี้ยนะแล้ตั้งคือคําถามลักษณะว่าคืนนี้จะหลับกี่ชั่วโมงดีมันก็อยู่ที่ด้านอื่นๆด้วยวเนนะไอจะออกเนี่ยมันอยู่ที่ตั้งไว้ตั้งกระเรกคนนะตั้งตั้งกระแรกคหรือว่าอาจจะถามว่าบุคคลไปปลุกชาแน่ไหมคือถ้าพวกชาพวกนีนะ้มีเสียงเป็นปฏิปักษ์นี่ยนะ ไปเขยา่าไปปลุกไปอะไรเข้ามัน ก, ก็ก็ออกนั่นแหละถ้าอภิพระสูตรจะเรียกฌานสี่ซะส่วนใหญ่อภิธรรมมาแยกว่ามีพวกอื่นอยู่ร่ห น, นยอยนะพวกอันนี้สำหรับพระอรหันต์นะฉะนั้นสรุปว่าเขาจึงแบ่งเป็น3ามกลุ่มน้อยหนึ่งกุศลสองวิบากสามกิริยา ก, ก็คือหนึ่งสองสมสนี่แหละแต่ว่าวิบากเนี่ยอุปมาเหมือนเงาชาติวิบากนะเหมือนกับภาพตัวจริงทุกประการแต่เป็นเงาส่วนทิฏฐธรรมสุขาวิหารธรรมกิริยาก็คือกุศลนั่นแหละแต่กุศลที่เกิดในสันดานของผ้าหาันกุศลกับกิริยาไม่มีความแตกต่างกันโดยลักษณะเป็นต้นเพียงที่ว่าต่างกันตรงกิริยาไม่ให้ผลนาเกิด กุศลให้ผลนําเกิดท่านั้นเองต่างกันตรงนั้นแตท่ทั่วๆไปไม่มีความต่างกันจิตอือ่นก็กแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเช่นมหากุศลก็แบบเดียวกันแต่คุณภาพอาจจะแตกต่างกันไปว่าตามเรื่องไปแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่มีวิบากจึงเรียกว่ากิริย า, ยาก็คือสา น, นวนว่าถ้าเป็นงานนะก็ทำงาน12ชั่วโมงเหมือนกันหรือทํางาน8ชั่วโมงเหมือนกันอีกคนหนึ่งมีรายรับอีกคนหนึ่งไม่มีทําฟรี น ะ, นะคือคนที่ทำฟรีปกติจะพอกินอยู่แล้วใช่ไหมเขาไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องอะไรจะต้องรับหรือไม่รับเนี่ยนะพวกนั้นชั้นสูงอะเนี่ยนี้ก็ผ่านนะจำไมด้ <laughs> เรียนผ่านดู่บกเข้าได้เหมือนขี่จักรยานข่จักรยานแล้วนัง่งออกไปได้เลยก็อของก็เข้าได้ก็ดีแล้ว เข้าไม่ได้คิดว่าได้จะลำบากถ้าได้จริงๆก็ไม่ว่าอะไรก็ดีนะคือถ้าถ้าได้แล้วเที่ยวบอกคนอื่นโดยปกติทั่วๆไปเขาเรียกว่ามากๆถ้าไม่ได้แล้วไปบอกคนอื่นว่าได้เขาเรียกว่าปรารถนาลามกนั่นก็ ใครที่พูดว่าได้มันก็มีอยู่สองอย่างก่อนนะหนึ่งมากๆ2สองปราถนาราม ก, ราามกหรือเขาบอกเขาต้องการจะสงเคราะห์เราอ่ะเนี่ยอันนี้ก็อาจจะด้วยการุณาของเขาอ่ะนะก็ที่เขาพูดเนี่ยประสงค์ที่จะบอกว่าแนวทางที่เขาทำอยู่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจจะเป็นยกตัวอย่างให้ดูะนะเขาเขา้เขาแบบนั้นแบบนั้นแต่ปกติเนี่ยในแง่เนี้ยการุณาขนาดไหนเขาก็ไม่ค่อยเปิดอกกันให้ดูอยู่แล้วใช่ไหม ปกติไงนั้นเหมือนกับว่าอ่านะสมมติคนนี้ว่าไปบริจาคให้คนอื่นสิบาทเนี่ยไงอ้าวฉันกรุณาเนีฉันให้แกสิบาทเพราะจริงๆแล้วฉันมีตั้งล้านหนึ่งแต่ว่าฉันกรุณาแกฉันเลยให้แกสักสิบาทเนี่ยนะแกไม่ต้องกลัวว่าฉันจะหมดฉันมีตั้งล้านนึงนะอันนี้ก็ก็ก็คือคล้ายๆเขาไม่ค่อยอยากเอาเลยนะนึกว่าเราไม่มีัไงมีนั่งเยอะอะไรอาจจะลักษณะเนี่นะแต่ปกติวิธีนี้ในโลกนี้เขาทํากันบ่อยไหม เขาทำกันไหมอย่างนี้ไม่น่าแปลกอย่างอย่างเช่นผู้ที่ได้ฌานแล้วเนี่ยเขาจะรู้ด้วยตัวเองเองครับว่าเขาไม่ควรพูดหรือว่าเขาต้องไม่ฟังพระธรมจากพระุทธเจ้ า, า, าดดกว่าการพูดนี้ไม่ควรพวกคนที่ได้ฌานนะครับพวกนี้จะเห็นโทษของเนี่ยอกุศลเหล่านี้ทั้งหมดนั้นอะไรถ้านํามาซึ่งปัญหาในภายหลังโดยความฉลาดของเข้าเองเนี่ยเขาจะไม่พูดอยู่แล้วป ก, ปกติเขาก็ไม่พูดนะคือคือ กลุ่มที่ได้เนี่ยเป็นคนฉลาดมากครับฉลาดที่จะคิดด้วยเพราะถ้าปกติถ้าจิตเป็นเป็นลักษณะคนมักอวดเนี่ยมันจะทําฌานไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเขามีคุณธรรมนะปกติสุดจริญใจเขาจะสูงมากคนเหล่านี้เนี่ยมีพื้นฐานสุดจริญใจดีมากถามว่าคนนอกศาสนาที่ได้ฌานนี่คือคนกลุ่มไหนคือกลุ่มคนปุโรหิตปุโรหิตของพระราชาเนี่ยนะมีตําแหน่งเป็นอาจารย์ของพระราชา เป็นผู้วินิจฉัยแผ่นดินเนี่ยนะคนระดับนั้นนะครับเขาจึงได้ฌานส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มนี้เนี่ยนะที่ที่ไปออกบวชได้ฌานเพราะฉะนั้นถามว่าเขามีความรู้ขนาดไหนอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยโอ้คนละสายกันเลยอันนั้นก็ฌานที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกฌานที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าโลกุตระฌานพวกนี้มีกสินมีอะไร ท, ทั่วไปเป็นอารมณ์ อันนี้วิโมกเขาแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม um. อันนี้เป็นวิโมกแบบโลกิยะก็เขาก็บอกเฉพาะวิธ uh ีป huh. ฏิบัติเขาพอกวิธีปฏิบัติว่าทำยังไงอะไรยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะ แต่ก็มีอย่างพระอรหันต์บางองค์อ่ะคือเออคนนี้อ่ะนะเขาเขา้เขาพรนะอรหันต์นะสมมุตินะยกตัวอย่างว่าในครับพระใตไปิอกพูดถึงพระอรหันต์ก็มีคนมาเรียนกรรมฐานด้วยพระอรหันต์รูปนี้รู้เลยว่าคนนี้มีอุปนิสัยนะคนนี้มีอุปนิสัยจบับบรรลุมรรคผลได้ท่านก็เลยจะแนะนําเนี่ยเอ้มันถ้าเราไม่บอกตัวเองเนี่ยมันทำมันเหมือนทําเล่นอ่ะท่านก็เลยเหาะให้กรรมฐานเลย ปูอาสนะไว้บนอากาศแล้วนั่งสอนท่านก็คือคือแค่นั้นก็พอได้ใช่ไหมไม่ต้องไปไ ม, งไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะยนะปูอัสนะบนเนี่ยอากาศแล้วก็เทศเลยนะไม่ต้องใช้ธรรมะธรรมดาแต่ว่าคือเรื่องอวดๆเนี่ยนะปกติในโลกนี้เขาก็นับว่าไม่ค่อยเาไม่ค่อยสนรเสริญอยู่แล้วนะไม่ค่อยสนรเสริญเท่าไหร่ รู้สึว่ากับพระที่สุด้วยใจจะไม่เป็นอะไรก็ถ้าปรารถนาจะอวดก็ประราชิกะครับหมายถึงว่มีอยู่แล้วมีถ้ามีอยู่แล้วก็อวดด้วยปรารถนาจําอวดด้วยอะไรอย่างอื่นก็ปาจิตีแต่ถ้าอย่างที่กล่าวเนี่ยกรณีสอนอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องอวดอะไรแต่คือไม่ได้มีคือถ้าอวดก็คือแบบอวดก็คือแบบลําพองเฉยๆอะไรเฉยๆแต่นี้เขาไม่ได้อวดแต่เขาประสงค์กาสอนเนี่ยนะ ซึ่งไอความคิดอันนี้ถามว่าเหนือได้ชานก่อนนะค่อยว่าตอบแทนท่านมันยากว่าท่านคิดยังไง ย, งยังยังยังนี่นี่อยอยถ้าเกิดมาสอนที่จะสอนนี่ถเกิดไปทําใหา้พระฤๅษีหัดเขูก็ไม่รู้ครับเพราะว่าถ้าเป็นพาระฤๅษีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าปุตุชนไปทําให้คฤๅษีหัดดูนะครับอนาคตเสื่อมมันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนั่นแหละ ก็พวกฌานทั้งหลายที่เสื่อมนี่คืออะไรคือได้ฌานแล้วก็คลุกคลีกับคนหมู่มากอันนั้นแหละครับคือห า, ห น, า, า, านะภาคิยะนะถ้าจะเสื่อมก็เพราะเรื่องนั้นเพราะเอาท่านรับแขกนะสมมุติว่าแขกมาวันละหนึ่งคนเฉลี่ยให้คนละ30นาทีหรือสิบนาทีเอาแล้วชีวิตวันหนึ่งจะหมดไปเท่าไหร่ละก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับนั่งตอบแต่ปัญหาไปพ็ปแบบภาษาคตถนะเหาะได้ใช่ไหม ชาวบ้านก็เลยมาโอ้ยผมยังไม่เห็นท่านห่อเลยห่อให้ดูทีห่อให้ดูทีพระไปเรียนทวารชากันนี่ไปห่อนะคนก็โอ้ยไปดูแต่พระห่อมาเลยไม่ได้ทําอะไรกันนะเพราะฉะนั้นถามว่าเพราะปกติท่านก็ไม่ค่อยทําวิธีแบบนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรหนักๆเข้าจะไม่ไม่สนใจคําสอนนะนะพระพุทธเจ้าจึงรังเกียจ อ, อิทธิปาฏิหารในแง่หนึ่ง น, นะแต่นี้ในแง่การอวดชาญ น, นะครับชาญนี่มันได้ยากเสื่อมง่ายเนี่ยนะละลายง่ายยังน้ําแข็งอีก แค่อย่างคนที่ได้ชานเสื่อมเนี่ยมีตั้งเยอะแยะไปนี้พอเสื่อมแล้วมันเข้าอีกมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับก็นนี้เดือดร้อนแล้ว